บทที่64สารณะที่แท้อาจารย์ชิดลงไปแล้วท่านพระครูจึงถามในสมชายว่าเป็นไงเธอรู้สึกเครียดบ้างไหมผมไม่กล้าเครียดหรอกครับหลวงพ่อผมกลัวมะเร็งเต้านมจะเล่นงานชายหนุ่มตอบอย่างคนรักตัวกลัวตาย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 มันไปทำยังไงเขาล่ะหน้าอกหน้าใจมันทึ่งผิดปกติอย่างนั้นผมหลอกถามดูมันบอกว่ามันเอามดตนอยไปต่อยมันว่าถ้าใหญ่มากๆก็จะได้ซื้อยกทรงมาใสหลวงพ่ออย่าบอกมันนะครับว่าผมมาพูดมันเอาผมตายเลยชายหนุ่มเล่าปรางขอร้องแปลว่าเธอเอาความรับของเจ้าขุนทองมาเปิดเผยละสิ ท่านพระครูพูดเสียงตำหนิโทรหลวงพ่อครับผมไม่ได้คิดทรยศเพื่อนนะครับแต่ที่ทำไปก็เพราะหวังดีต่อมันผมกลัวมันจะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับก็เห็นนักข่าวเล่า ว, ว่าคนที่เอามดตะนอยต่อยลูกอัณฑะยังเป็นมะเร็งตายได้สิทวัดอ้างเหตุผลที่เปิดเผยความลับของเพื่อนนั่นเพราะกรรมเข้าไปหลอกลวงไว้ต่างหากละ่ะ หลอกลวงเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นทหารแต่เจ้าขุนทองไม่มีกรรมเช่นนั้นฉันรับรองว่ามันไม่เป็นมะเร็งแน่เธออย่าห่วงไปเลยครับถ้าหลวงพ่อยืนยันเช่นนี้ผมก็สบายใจและหลวงพ่ออย่าเผลอบอกเรื่องนี้กับมันนะครับไม่งั้นผมถูกมันด่ า, า ล, ล้างน้ําแน่เลยล้างน้ําก็ดีนะสิเธอจะได้สะอาสะอ้านขึ้น ท่านเริ่มยัวเพื่อคลายเครียดมันก็คงดีหรอกครับถ้าผลเป็นคนชอบอาบน้ำแต่บังเอิญผมเป็นโรคกลัวน้ำครับชายหนุ่มว่าได้ยัวลูกสิทธ์พอหอมปากหอมคอแล้วท่านพระครูจึงให้เขาลงไปล้างรถเพราะจอดไว้หลายวันจนฝุน่นเกาะเต็มไปหมดถึงไม่ต้องลงไปดูก็รู้ได้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่ท่านคิด นายสมชายลงไปแล้วจะอววาดวัดป่ามะม่วงจึงนั่งหลับตาทบทวนข้อความในจดหมายของนายพันเอกใจความโดยสรุปก็คือเขาหลงรักครูสาวที่จ้างมาสอนพิเศษให้ลูกที่บ้านทั้งหลงทั้งรักแล้วก็หลงไหลถึงขนาดคิดข อ, อย่า ก, กับภรรยาเพื่อจะได้แต่งงานกับเธอเหตุผลที่เขาอ้างกับภรรยาก็คือ ตัวเขาเป็นในพันอีกไม่นานก็จะได้เป็นในพลและคนที่เป็นภรรยาก็จะต้องได้ตำแหน่งคุณหญิงแต่ภรรยาของเขาไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้เพราะหล่อนแก่เกินไปทั้งยังมีความรู้แค่มัธยมหกขณะที่ครูสาวจบปริญญาแล้วก็สวยกว่าสาวกว่าผมอุตร้องห่มร้องไห้เพื่อให้เขาเห็นอกเห็นใจในความรักของผมแต่เขาใจร้ายกับผมมาก เพราะนอกจากจะไม่ยอมหย่าแล้วยังไม่สงสารเห็นใจไม่มีน้ําตาซักหยดเดียวทั้งที่ผมร้องไห้น้ําตาแทบเป็นสายเลือดอย่างนี้แล้วผมจะอยู่กับเขาได้อย่างไรครับหลวงพ่อผมได้พยายามพูดขอร้องเขาทุกวันเขาก็ไม่ยอมใจอ่อนกระทั่งอ่อนใจมาวันนี้ผมเองยื่นคำขาดไปว่าถ้าเขาไม่ยอมหย่าผมจะฆ่าตัวตาย เขาก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็บอกผมว่าตกลงฉันจะยอมหย่าให้เพราะเห็นใจในความรักของคุณความรักมันกินได้ส่วนเงินกินไม่ได้ฉะนั้นฉันจะยอมหย่าให้คุณแต่คุณต้องยกเงินเดือนให้ฉันทั้งหมดหลวงพ่อคิดดูสิครับผมจะทําตามข้อเสนอของเขาได้อย่างไรถ้าผมให้เงินเดือนเขาหมดหลวงพ่อคิดดูสิครับว่า ผมจะทำตามข้อเสนอเขาได้อย่างไรถ้าผมให้เงินเดือนเขาหมดผมกับภรรยาคนใหม่จะอยู่ได้หรือหลวงพ่อช่วยผมหน่อยเถอะครับช่วยให้เขาเห็นใจผมข อ, อย่าให้ผมโดยที่ไม่เอาเงินเดือนของผมส่วนลูกผมเลี้ยงได้และแม่ใหม่ของแกก็จะช่วยติววิชาให้โดยไม่ต้องเสียเงินให้กับโรงเรียนกวดวิชาผมจะรอคำตอบจากหลวงพ่อ ความจริงผมอยากมากราบเรียนถามได้ตนเองแต่เขาทำให้ผมหมดแรงและหมดหวังจนไม่สามารถจะขับรถมาได้หลวงพ่อกรุณาตอบผมด่วนเลยนะครับจดหมายไม่มีซองเปล่าติดสแตมสอดมาด้วยจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงจัดการหยิบซองมาจา่าถึงผู้รับตามที่อยู่ตรงหัวกระดาษเสร็จแล้วก็ลงมือตอบเขียนที่วัดป่ามะม่วง วันที่หมีนาคมพุทธศักราช2517เจริญพรท่านผู้พันที่นับถืออาตมาอ่านจดหมายของผู้พันแล้วรู้สึกสงสารเห็นใจเป็นที่สุดอย่าเพิ่งดีใจว่าอาตมาจะช่วยให้สมความปรารถนาอาตมาจะช่วยได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่ผู้พันปรารถนานั้นมันไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรม คนที่อาตมารู้สึกสงสารและเห็นใจเป็นที่สุดนั้นไม่ใช่ผู้พันหากแต่เป็นภรรยาของผู้พันภรรยาคนที่มีความรู้น้อยและถูกสามีตำหนิติเตียนว่าทั้งแก่ทั้งไม่สวยนั่นแหละเรื่องทั้งหมดที่ผู้พันเล่ามามันเหมือนนิยายมากกว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่อาตมาก็ไม่คิดว่าผู้พันจะแต่งนิยายให้อาตมาอ่านหรอกนะเพราะอาตมาไม่ใช่นักอ่าน แล้วก็คงไม่มีเวลาเพราะมีงานต้องทำอีกมากมายอัตมาคิดว่าที่ภรรยาของผู้พันไม่ร้องไห้นั้นคงเป็นเพราะน้ำตาตกในมากกว่าเอาละ่ะเรื่องนี้อัตมาขอตอบสั้นๆว่าให้ผู้พันเลิกล้มความคิดที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่เสียเถิดเพราะไม่มีประโยชน์อันใดเลยอัตมาขอร้องนะ โปรดอย่าทำลายจิตใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกปกติคนเราเมื่อตั้งความหวังไว้ในทางที่ผิดคลั้นสมหวังจะสุขสโมสรก็เฉพาะตอนต้นๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังเพราะฉะนั้นอาตมาจึงขอแนะนำว่ายอมผิดหวังเสียดีกว่าซึ่งแม้จะต้องโศกเศร้าเสียใจอะไรหา ต่อเมื่อทำใจได้เมื่อใดก็จะเกิดความภูมิใจเออิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุดเจริตไม่บกพร่องเสียหายใครๆก็ติเตียนไม่ได้ผู้พันลองนำไปพิจารณาดูส่วนเรื่องการที่จะเป็นคุณหญิงนั้นอาตมาได้ตรวจสอบดูกฎแห่งกรรมของคุณโยมทั้งสองแล้วไม่มีใครจะได้เป็นคุณหญิงสุดท้ายนี้อาตมาขอจเจริญพร ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรและบารมีขององค์สมเด็จพระสยามเทวาธิราชจงปกป้องคุ้มครองผู้พันุ์และครอบครัวให้มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรจงสมความปรารถนาทุกประการเทิดขอเจริญพรพระครูเจริญที่ตะทำโมเขียนเสร็จท่านพระครูก็อ่านทบทวนอีกครั้ง เสร็จแล้วก็พับใส่ซองปิดผนึกเรียบร้อยขาข้างที่หักกำลังอักเสบท่านเลิกสบงขึ้นดูก็พบว่ามันบวมเป่งทั้งที่นวดด้วยน้ำมันมนทุกวันการขยับขยื่นเคลื่อนไหวจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากหากท่านก็ไม่เคยคิดถดถอยแม้จะอยู่ในภาวะอาภาาเจ็บป่วยก็ไม่เคยหยุดพัก ท่านทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดข้าราชการเขายังได้หยุดเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ท่านพระครูจเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงไม่มีวันหยุดกับใครเขาทั้งงานที่ทำหรือก็ไม่มีเงินเดือนให้อีกด้วยเฉบับต่อมาเป็นของนางวารวินนินเนร เขียนมาจากบ้านเลขที่1676ทับ2 13ถนน เ, เพชรเกษมอเภอสามพรานจัังหวดนครปฐมจดหมายลงวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2517ลอนเขียนเล่ามาว่าเมื่อวานนี้ดิฉันกับสามีได้พาเพื่อนชาวอเมริกันไปดูการเข้าทรงที่บางแค ดูแล้วต่างก็รู้สึกสลดหดหูไปตามๆกันดิฉันจะเล่าให้ท่านพระครูฟังนะเจ้าคะ่ะคณะของเราไปถึงสถานที่ที่ใช้สำหรับทาพิธีซึ่งเขาเรียกกันว่าพระตำหนักเมื่อเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาพระตำหนักสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังคงราคาหลายล้านอยู่ในเนื้อที่ประมาณสิบไร่หน้าพระตาหนักมีรูปหล่อหลวงพ่อทวดตั้งตระงานอยู่กลางสนาม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 และเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ท่างเก้ารูปนั้นเสร็จแล้วท่านก็พากันกลับไม่ได้อยู่ดูเขาเข้าทรงและท่านก็คงไม่ทราบว่าเขาทำอะไรกันบ้างดิฉันคิดว่าคนทรงเขาเข้าใจนิมนตร์พระระดับสูงมาเพื่อจะเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาเป็นการหลอกลวงสงอย่างแนบเนียนที่สุด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 และได้ศึกษาพระวินัยมาอย่างดีทั้งเคยบวชมาแล้วด้วยเขาจึงวิพากวิจารณพระเหล่านี้ว่ากระทําผิดพระพุทธบัญญัติดิฉันจะเล่าเรื่องคนทรงต่อนะเจ้าคะเขาโกนศีรษะห่มผ้าเหลืองแต่งตัวเรียนแบบพระทั้งยังประกาศตัวว่าเป็นพระอีกด้วยเขาอ้างว่าหลวงพ่อทวดมาเข้าฝันขอร้องให้เขาเป็นร่างทรงของท่านเพื่อสร้างบารมี เมื่อจะเริ่มเข้าทรงเขาจุดทูปมัดใหญ่ทั้งมัดเสียบไว้ในกระถางข้างหน้าแล้วจึงจุดเทียนมัดใหญ่เช่นกันนำมัดเทียนตั้งไว้บนศรีรษะให้น้ำตาเทียนไหล ย, ย้อยมาอาบใบหน้าจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิประนมมือหลับตาร่ายคาถาด้วยเสียงอันดังภาษาที่ใช้จะว่าบาลีก็ไม่ใช่ไทยก็ไม่เชิง เพราะปนเปกันไปหมดจนฟังไม่ออกแต่ที่พอจะจับได้คำหนึ่งก็คำว่าเทวาเพราะพูดซ้ำๆหลายครั้งขณะที่ไร้ค า, าถาก็นั่งขยุกขยิกท่าทางหลุกลิกไม่มีการสํารวมเลยไร้ค า, าถาจบลูกศิษย์ก็นำจานหมากที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วมาประเคนเขาก็ใช้มือหยิบใส่ปากทำท่าขบเคี้ยว ปล่อยน้ำหมากให้ไหล ย, ย้อยลงมาเปลอะคางเพื่อนชาวอเมริกันบอกน่าเกลียดมากเหมือนเดกโคล่ากำลังกินเลือดเพราะน้ำหมากสีแดงเหมือนเลือดจริงๆจากนั้นพวกลูกศิษย์ก็ช่วยกันยกขันบรรจุน้ำมาให้ทำน้ำมนเป็นขันทองเหลืองขนาดมะหึมาบรรจุน้ำได้3 0ลิตรเขาหยิบมัดเทียนจากศีรษะลงมาจ่อที่ปากขันให้น้ำตาเทียนหยดลงน้ำ ลูกศิษย์ส่งถาดบรรจุพวงมาลัยดอกมะลิมาให้เขายกถาดขึ้นสูงระดับศรีรษะหลับตาทำปากขมุบขมิบทำทีว่าเสกแล้วเทพวงมาลัยลงไปในขันน้ำมนจากนั้นทั้งพระเทียมและคารวาจจะเรียงแถวกันเข้ามารับน้ำมนตแถวพระเข้ามาก่อนเขาก็ใช้พวงมาลัยที่ลอยอยู่ในขันน้ำมน ตกที่ศีรษะพระซึ่งไปก้มศีรษะประนมมือรับอย่างนอบน้อมหมดจากแถวพระเทียมซึ่งมีประมาณ200รูปก็เป็นแถวของคารวาสซึ่งมีนายทหารยศนายพลเดินนำหน้าที่ดิฉันทราบเพราะก็แต่งเครื่องแบบมาและดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นนายพลจริงหรือนายพลปลอมหากเป็นตัวจริงก็น่าสงสารมากที่ท่านตกเป็นเครื่องมือ หากินของคนพวกนั้นท่านพระครูเจ้าค่ะดิฉันสลดใจเหลือเกินที่ชาวพุทธเราอับจนปัญญาและไร้ซึ่งที่พึ่งพิงเสียแล้วหรือจึงได้ฝากชีวิตไว้กับการเส้นเจ้าเข้าส่งเช่นนี้พระพุทธศาสนาใกล้ถึงจุดจบเสียแล้วหรือจึงถูกคนใจบาปหยาบช้านามาเป็นเครื่องมือกอบโกงเงินเข้ากระเป๋าเพื่อนชาวอเมริกันที่ดิฉันพามาดู ได้แสดงความห่วงใ ย, ยว่าหาคนาศาสนาอื่นเข้ามาพบเข้าก็จะเป็นจุดให้เขาโจมตีได้ท่านพระครูคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะสามีของดิฉันบอกว่าอยากจะไปร้องเรียนต่อมหาเถระสมาคมหรือไม่ก็กรมการาศาสนาให้เขาสอดส่องดูแลบ้างเพราะมันเป็นภัยร้ายแรงต่อพระาศาสนาของเรา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 ขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าเจ้าค่ะนมัส ก, การมาด้วยความเคารพอย่างสูงวรวินนินเนตจดหมายทุกฉบับที่ท่านพระครูได้รับไม่มีฉบับใดที่ไม่ทำให้ท่านเครียดพูดให้ง่ายเข้าก็คือทุกฉบับล้วนแต่ทำให้ท่านเครียดแต่ความรู้สึกเช่นนี้มันก็เกิดขึ้นไม่นานเพราะเมื่อกำหนดเครียดหนอเครียดหนอมันก็หายไปแต่ฉบับของนางวอ ร, รินนินเนตนี้สิ ท่านต้องกำหนดทั้งเครียดหนอและสลดใจหนอควบคู่กันไปกระนั้นเจ้าความรู้สึกสองอย่างนี้มันก็ยังไม่ยอมเลือนหายไปท่านจึงต้องลุกเดินจงกรมให้ความเจ็บปวดในแต่ละย่างก้าวนั้นมาช่วยฆ่าความเครียดและสลดลันทศใจ ลงลุงทำไมลุกขึ้นเดินตายแล้วตายแล้วประเดี๋ยวขาก็ไม่หายหรอกนายขุนทองส่งเสียงวีดว้เมื่อขึ้นมาเห็นกับตาว่าหลงลุงกำลังทำอะไรอยู่ข้าเดินมาตั้งรวมชั่วโมงแล้วเอ็งเพ่งจะมาโวยวายมีธุระอะไรกับข้าอีกล่ะท่านหยุดเดินพลางถามหลงลุ ง, ล ง, ลงนั่งก่อนดีกว่าฮะ นั่งนะคนดีคนดีของขุนทองหลานชายพูดเหมือนกับว่าหลงลุงเป็นเด็กสามขวบนี่นเจ้าขุนทองมันจะมากไปมันจะมากไปข้าไม่ใช่เด็กอมมือนะเอ็งอย่ามาพูดกับข้ายางงั้นท่านเอ็ดหลานชายไม่พูดก็ได้แต่ลลงลุ ง, ลงนั่งก่อนสิฮะหนูขอร้องนั่งก็นั่งเอาละมีอะไรก็ว่าไป ท่านหายเครียดหายสลดหดหูแต่ก็มีอันต้องกำหนดปวดหนอปวดหนอแทนเพราะรู้สึกปวดระบมไปทั้งร่างโดยเฉพาะที่ขาข้างขวาผัวนั่งเตยมาตามฮะหนุ่มวัยี่สิบเอ็ดรายงานเองรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นผัวแม่หนูคนนั้นเขาบอกเองหรือเปล่าหรอกฮะลุงลุงเคยบอกไว้ว่าเมื่อวันที่ห้ามีนา ผัวนางเตยจะมารับไปแต่งงานหนูเลยเดาเอาก็เข้ามาถามหานางเตยนี่ฮะงั้นก็บอกเขาให้ขึ้นมาหาข้าก็แล้วกันฮ่าชายหนุ่มรับคำแล้วก็ลงไปสักพักหนึ่งชายหนุ่มอีกคนก็ขึ้นมาแมมหน้าตาจะเศร้าส้อยหากก็ดูล้อหลอ่อชวนมองมิหน้าแม่หนูคนนั้นถึงได้เผลอกายเผลอใจ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 และไม่มีพระสงฆ์ไปรับน้ำมนต์อาตมาก็ไม่นึกตำหนิเลยเพราะมันเป็นวิธีการหากินของพวกเขาที่จะหลอกคนโง่เขาเบาปัญญาคุณโยมอย่าไปคิดว่าคนที่เป็นชาวพุทธนั้นจะเป็นคนที่มีปัญญาไปเสียหมดทุกคนพระพุทธเจ้าทรงแบ่งไว้สีระดับเปรียบเทียบกับบัวสี่เหลาคุณโยมก็คงจะพอจำได้อุคติตันยู วิปจิตันยูนัยยะและปัทะปารมะฉะนั้นจะให้ฉลาดหลักแหลมเหมือนกันหมดก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าหากถามความเห็นของอาตมาว่าเชื่อหรือไม่ผู้ที่มาเข้าส่งนั้นเป็นหลวงพอ่อทวดอาตมาก็ขอตอบว่าไม่เชื่อเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะต้องมาทําเช่นนั้นและที่ชอบอ้างกันว่า เทพมักจะลงมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกประการหนึ่งที่พึ่งของชาวพุทธก็ไม่ใช่เทพพยาดาหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนแต่คือพระรัตนตรยัยคุณโยมคงจะจำบทสวดมนต์ได้บทสวดมนต์ที่ว่านัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวะรังนัตติเมสรนังอัญญ พุทโธเมสรนังวะรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันรประเสริฐของข้าพเจ้านัติเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวะรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้านัติเม ส, <|hi|> สรนังอันยังสังโสมาสรนังวะรัง สารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจาวัดเจนะวัทยังสัตถุสาสเสนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในศาสนาของพระาศาสดาคุณโยมเห็นแล้วใช่ไหมพระพุทธองค์ไม่ทรงสอนให้ยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึง่งนอกจากพระลัตนตรัยเท่านั้นแต่ชาวพุทธทุกวันนี้ เขาไปยึดอะไรกันก็ไม่รู้เลอะเลือนลามปามกันไปหมดจนหาข้อยุติไม่ได้คุณโยมไม่ต้องไปกลัวว่าคอมมิวนิสต์หรือว่าศาสนาอื่นเขาจะมาทำลายพระพุทธศาสนาเราหรอกไม่ต้องกลัวผู้ที่จะทำลายก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าศาสนาจะตั้งอยู่ได้นาน ก็เพราะพุทธบริษัทสและจะเสื่อมไปก็เพราะพุทธบริษัท4ี่อีกเช่นกันก็ยังดีในปัจจุบันนี้ไม่มีภิกษุนี้แล้วผู้ทิทํำลายจึงเหลือเพียงสามคือภิกษุอุบาสกอุบาสิ ก, กาอาตมาเองก็พยายามอุทิศเวลาเพื่อพระศาสนาอุทิศเวลาและชีวิตที่สุดจนกว่า วาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงอาตมาทำไดเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้อาตมาขอสรุปสั้นๆว่าเมื่อมีหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบหลวงพ่อเทียมมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้วสำหรับสมัยนี้คนที่มีปัญญาเขาจะรู้เองว่า